หนึ่งดวงดาวเจอแสงเจอรัตราตรีความหวังมีในถ้ากลางกว้างไกลผ่านการเวลาอันเชี่ยวกรากยาวนานชีวันจึงลำแสงสองนับพันหมื่นสาย สุราเสียงเวหามาเรยเรียงหนึ่งลำนำ้ำเพลงมุ่งมันล้นสวนเส้นทางยาวไกลหันอยู่ร่วมเดินเดือนดาตวตะวันสาสองพื้นน้ำลอยใหญ่ในรติกา ไอยประทิใจโลกสุกอนเรืองลุงเดินทางสร้างสรรค์ผลงานแดนส่งชาวอินสัตวนดาวแสนชี้นิทางให้ได้เดินพระพากันบอกฟัง ดาวเนือทั้งช้างเรือตรงหน้านันเรือน้ำทาหนึ่งดวงดาวเจอแสงเจอรัตราตรีความหวังนี้ในท่ามกลางกว้างไกล าการเวลาอันเชี่ยวปรากยาวนานชีวันจึงลำแสงสองนับพันหมื่นสายสุรเสียงเวหามาเรื่อยเรียงหนึ่งลำน้ำเพลงมุ่งมันล้นสัวเส้นทางยาวไกลท่านอยู่รวมเดิน เดือนดาวตะวันสาสองพื้นน้ำน้อยใหญ่ ในปธิกิริด้ว ย, วยประทิจใจล ก, like, กสุก้นเรืองลุงเดินทางสามสันพนังแดนสวงชาวอินทร์สามสันยัลเส ชีวิตทางไห้ได้เดินพระพากคันบอกฟังดาวเนือรองชางเรือตรงนานั้นเรือน้ำทาวหนึ่งดวงดาวเจอแสงเจรัราตรีความหวังมีในท่ามกลางกว้างไกล าการเวลาอันเชี่ยวกรากยาวนานชีวันถึงลำแสงสองนับพันมือนแสสุรเสียงเ่หามาเรี่ยรหนึ่งลำน้ำเรงมุ่งมันล้นสูวเส้นทางยาวไกล เยืนดาวตวันสาสมขึ้นน้ำน้อยใหญ่